เรื่องเครื่องบทยาผสมยาตาภิกษุทั้งหลายต้องการเครื่องบทยาผสมยาตาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้จันทร์กริสนากะลำพักใบเฉียงแ้่หมู